เรามีศาสนาเป็นเครื่องปกครองจิตใจจึงเหมือนกับลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้ปกครองอุ่นหนาฝ้าข้างเย็นสบายพ่อแม่ก็มีเหตุมีผลลูกก็เป็นผู้สนใจต่อเหตุแต่ผลพูดกันก็รู้เรื่องครอบครัวนั้นโรคเย็ย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 กเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นทั้งพ่อทั้งแมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจของผู้นักถือพระพุทธศาสนาด้วยความลงใจเชื่อหิเชื่อผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยงขนาดใดิตที่จิตใจของเราห่างเหินจากศาสนาเราจะเห็นผลหรือเห็นโทษแห่งความห่างเหินนั้น โดยลำดับลำหนับนับแต่มากนับแต่น้อยจนถึงมากขณะใดหรือระย ะ, ะ, ยะใดจิตใจเรามีความเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาคือมีธรรมเป็นเครื่องระลึกอยูมม่เสมอภายใน จ, จิตใจสิ่งที่เป็นพิกเป็นภัยก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้จิตใจย่อมมีความนุ่มเย็นเป็นสุข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 คือความจริงหรือเหตุผลมันเรื่องความรักตนนั้นใครก็รักแต่การเข้าตนนั้นเข้าไม่ได้คำหนึงว่าถูกหรือผิดจากเหตุหรือผลจึงเป็นความผิดสาหรับการเข้าข้างตัวอีกเป็นนิสัยแม้แต่สัตว์ก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสิ่งที่ขัดแย้งต่อทรรม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 เพื่อดำเนินจึงจะเป็นไปเพราะความสะดวกสะดวกรากรื่นตลอดไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องเสกันได้ด้วยเหตุนี้าศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกแยกไม่ออกก็เพราะความสุข ความสมบังเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่เว้นนอกจากคนไม่มีสติเช่นคนบ้าคนบ่อนั้นอาจจะไม่ทราบไม่เพราะไม่เหมือนมนุษย์แต่มนุษย์ทั่วๆไปนี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันความรักตนเป็นสิ่งสําคัญพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าการรักคนรักอย่างไรเป็นความถูกต้องหรือรัก ลูกเต้าอย่างนี้ ร, รักอย่างไงเป็นความถึกถูกต้องเพื่อจะให้ลูกดีสมความรักของเราเราต้องพยายามคร่ำสอนลูกของเราให้ถูกต้องตามเหตุตามผลอันจะเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถูกต้องไม่จเจริญแบบเสิกสรรปัญญาเฉยๆทั้งๆ ท, ที่ไม่ถูก และความไม่ถูกนั่นนึงจะอาจจะระบาดไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยทีนี้ความรักตนสำหรับเราเองก็เช่นเดียวกันความรักตนในสถานที่นี้หมายถึงซีลธรรมเป็นหลักเป็นแก่นสารภายในจิตใจคือเหตุผลนั่นแหละเป็นหลักใจเอาหลักเหตุผลเข้าไปเป็นหลักใจอันไดถูกอันไดผิด เราคำนึงเสมอและพยายามดำเนินให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลคือความถูกต้องดีางามนั้นยากลําบากเราไม่ต้องไปถือสําคัญยิ่งกว่าความถูกต้องดําเนินไปตามนั้นจนมีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินแล้ว้เรื่องความอยากก็ไม่สามารถที่จะมากันก้นกลางของห้ามหรื อ, อกีดกั้นเราได้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 โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเช่นคําบริกรรมเป็นต้นเมื่อจิตได้รับความย่อมเย็นเช่นนั้นกับคําว่าทำนั้นเราไม่ต้องไปถามความร่มเย็นนั่นแหลคือทำฝ่ายผลการระมัดระวังนั่นแหลคือทำฝ่ายเหตุการบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติ ไม่คิดไปในทางที่ไม่ถูกทั้งหลายนั่นคือเรื่องของคือทำฝ่ายเหตุเหตุกับผลดูด้วยกันเมื่อเรารักผลเราต้องการผลอันดีเราต้องรักเหตุคือการกระทาให้ตรงแนวต่อผลที่เราต้องการอย่าให้คาดเคลื่อนไปจากนั้นนี่ชื่อว่าดาเนินในทางที่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ผลจะพึงกากดขึ้นมาเป็นลําดับโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือคราวาสใดใดทั้งสิ้นเพราะทำเป็นธรรมชาติตลากลางๆเป็นสมบัติกลางจิตก็เป็นเช่นเดียวกันตัวจิตแท้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสแต่อย่างใดมีความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชหรือฆราวาสมีความรู้ดีรู้ชั่วมีความโงค่ความฉลาด เช่นเดียวกันจิตจริงไม่ยมเพศแล้วธรรมซึ่งไม่ยมเพศด้วยแล้วก็เข้ากันได้อย่างสนิทธรรมเมื่อได้เข้าถึงจิตจิตย่อมแสดงความแปลกประหลาดภายในตัวเองให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่อธรรมกับจิตได้เกี่ยวข้องกันมากหรือสัมผัสสัมพันธ์กันมาก เชื่อมโยงเข้าถึงกันมากเข้าเพียงไรจิตจะแสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจิตของเราจะเป็นเช่นนี้แต่ก็ได้ประจักษ์ขึ้นมาผลจุดท้ายตนเองก็อัศจรรย์ตนเองได้ทั้งๆ ท, ที่เราเกิดมาเราเราไม่เคยอัศจรรย์ตนเองเลยไม่ว่าจะได้ผลจิ่งใดมาไม่ว่าเราจะมีความสามารถฉเฉลียวฉลาดในแง่ใดในทางโลกที่เราเคยดำเนินมาที่ให้เกิดเป็นความ อัศจรรย์ตนเองนี้ไม่ปรากฏนอกจากเป็นความดีใจภูมิใจไปบ้างช่วงการช่วยเวลาเท่านั้นแต่เมื่อทำเข้าถึงใจของผู้ปฏิบัติย่อมปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างชัดเจนภายในตัวเองที่ไม่ได้คาดได้ฝันว่าทําไมความอัศจรรย์อย่างนี้จึงปรากฏขึ้นมาได้หรือไม่ได้คาดได้ฝันว่าเราจะทําให้เห็นความอัศจรรย์อย่างนี้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 หากว่าจะเป็นสิ่นนำออกจ่ายหรือขายตามตลาดแล้วมีเท่าไรเป็นไม่ค้างร้านเลยหมดหมดหมดหมดคนจะมาซื้อกันทั้งโลกทั้งสงสารเลยเพราะใครๆก็ต้องการความสุขความเจริญความอัศจรรย์ความสมหวังแล้วจิตดวงนี้ก็เป็นจิตรับสนองอย่างนั้นด้วยคือสนองทั้งความสมหวังตั้งความสุขความเจริญทั้งความอัศจรรย์ โลกทั้งหลายจะรุมมาซื้อจนทั่วโลกว่างั้นเดิอดแม้สัตว์ดิบดิาฉนเขาไม่รู้ภาษีภาษากา็ตามซึ่งเขาก็มีความต้องการความสุขเขาไม่มีสมมติมากมายิ่งกว่ามนุษย์เขาต้องการความสุขเขาก็จะโดดมาแย่งมนุษย์อยีกเหมือนกันทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์มายุ่งกับร้านค้าร้านนั้นจนไม่มีเวล่เวลาเลยเต็มไปหมด ร้านค้าร้านอัศจรรย์้านนั้นนั่นะร้านอัศจรรย์คือร้านค้าของจิตนั่นเองของจิตที่อัศจรรย์เราพูดเพียงแค่นี้โลกก็กระเทือนไปหมดแล้วว่าจะต้องมาซื้อถ้าเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันได้เช่นสินค้าทัว่วไปใครๆก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้นแล้วสินค้าประเภทนี้จะไม่มีข้างร้านเลยเดียว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 สินค้าประเภทนี้จะถูกรุมมากยิ่งกว่าสินค้าประเภทที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้นสินค้าประเภทที่สามจิตมีความคล่องแคล่วเกล้ากมีสติปัญญารอบตัวสว่างสวยัยทั้งกลางวันกลางคืนโดยดินด น, นั่งนอนหมุนตัวอยู่ด้วยธรรมจัก สง่ารพาเผยสว่างกระจ่างแจ้งทั่วโลกดินแดนเพียงขนาดนี้ก็สว่างกระจ่างแจ้งไปทั่วโลกดินดินแดนแล้วแม้จะไม่เต็มภูมกิก็ตามนีม่สินค้าประเภทที่สามนี่โลกจะรุมกันท่าธรรมดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายนะเขาแย่งอะไรกันเหมือนโลกทั้งหลายแล้วคนดีไม่ดีฆ่ากันพราะกลัวจะไม่ได้เนี่แล้วประเภทที่สี่ ประเภทที่หมดจดงดงามอย่างยิ่งไม่มีอะไรเหลือหรอแล้วขึ้นชื่อว่าสินที่จะลดคุณค่าแห่งธรรมชาตินี้ไม่มีเจืออยู่ภายในสินค้าประเภทนั้นเลยเป็นสินค้ายิมุตหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงได้แก่ดวงจิตพระราหารันท่านสินค้าประเภทนี้กระเทือนทั่วโลกกธาตีเดียวแม้แต่อยู่สัพท์อยู่ใต้ดินหรือนรกอเวกีก็ ถ้าพอมมาได้จะเพ่นขึ้นมานรกแตกเป็นไรจะว่าไงไรเพราะเป็นสิ่งที่อัศ จ, จรรย์เหนือโลกเหนือท้องสารนี่อานาจของจิตความสง่าผ่าเผยความมีคุณค่าของจิตเป็นสิ่งที่ชนะได้ในโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นทำจริงเหนือโลกโดยประการทั้งปวงทรามรสทางธรรมก็ชนะรสทั้งหลายแนวฟัง ไม่มีอะไรที่จะเหนือรถแทนทำได้ถ้าหากว่ารถไม่เหนือทำทำจะอยู่ครองโลกได้อย่างไรคนจะเป็นนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือทำได้อย่างไรมีเรื่องความอัศาจรรย์เป็นชั้นๆหากว่าเป็นสินค้าพอที่จะแยกเป็นด้านวัตถุออกมาจัดจ่ายขายตามท้องตลาดแล้วตีตลาดโลกแหลกมาสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ใดที่จะ มาเป็นคู่แข่งสินค้าประเภทสามสี่ประเภทนี้ได้เลยยกประเภทไหนออกไปก็ตลาดทั้งหมายล้มไปหมดประเภทหนึ่งตลาดโลกก็ล้มประเภทที่สองตลาดโลกก็ละลายที่สามที่สี่ไปหายหมดไม่มีตลาดไหนจะยังเหืออยู่ข้างโลกพอที่จะมีคนด่ําๆล่เข้าไปซื้อซับบาดสองหมืัดเลยจะรุมมาตลาด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 สินค้าสินค้าประเภทอัศจรรย์นั้นนั้นได้ทำจริงเหมือนไม่ใช่ทำเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีคทำความศักดิ์สิทธิ์พิเศษแต่อย่างไรเลยเพราะเหตุใดเพราะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษจุดที่ศักดิ์สิทธิธ์พิเศษนั้นมีแต่ของเละเอะเทอะเกปรืป่อนเต็มปไปหมดอยู่ภายในจิตมองดูแล้ว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 เจ้าของอยังน้อยใจตาหนิปีเตียนตนเองว่าไม่มีวาสนาบุญน้อยวาสนาน้อยก็เพราะธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องปิดบังธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งเป็นตัวการของของอำนาจวาสนาไว้อย่างม่ชิดไม่ให้มองเห็นได้เลยถึงกับเจ้าตัวหรือเจ้าของนั้นน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาเกิดมาไม่เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย มีแต่ความทุกข์ความจนจิตใจก็วุ่นวายอย่างนั้นยังมีว่าไปสิ่งที่ทําให้ว่าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรื่องแต่ของสมอของโตกตกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีฉะนั้นการบ่นว่าอะไรจึงไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจใจให้มาบ่นมาว่านี้แล้วกําจัดสิ่งแบบนี้ออกไปโดยลําดับลําดับจิตใจของเราจะค่อย จะค่อยๆแสดงตัวออกมาถ้าหากว่าเป็นบ้านก็จะถูหน้าต่างออกมาให้มองเห็นหน้าบ้างโผออกมาบานประตูตให้มองเห็นบ้างไม่ถูกปิดไว้อย่างมิดชิดจนมองหาตัวไม่เห็นเลยทั้งๆ ท, ที่คนก็อยู่ในบ้านนั้นนี่ก็ทั้งๆที่จิต ก, ก็อยู่ในที่นี่แต่ถูกกิเลสปิดบังไว้หมด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 ให้ น, นับถือพระพุทธศาสนานี่เป็นตัววาสนานตัวกิเลตตัวเป็นพิษเป็นภัยนี้คือตัวค่าศึกของาศาสนาของวาสนาให้เราแก้ที่ตรงนี้อย่าไปแก้ที่อื่นถ้าแก้ที่อื่นแล้วก็จะเหมือนกับว่าไปเกาในสถานที่ไม่ขันแล้วจะทําให้ถลอกปอกเปิ่งเปื่อนโสมกบกแล้วเจ็บปวดเป็นแผลขึ้นมาได้เพราะเกาไม่ถูกศุกที่ขัน การแก้กิเลสการแก้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราจะไปแก้ด้วยความบุญเพ้อและมือไปต่างๆถึงกับการตำหนิปีตียนอำนาจวาสนาของตนตำหนิตนมาเกิดมาเป็นปนอาภัพอย่างนี้เป็นความผิดเช่นเดียวกับการเกาไม่ถูกขี่ขันเกาลงที่มันทาให้เราเดือดร้อนเพราะอะไรพิจารณาลงตรงนี้อันนี้แลคือไฟอันนี้แลคือตัวไผ่ให้แก้ลงที่ตรงนี้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 สิ่งตัดทอนความดีทั้งหลายออกออกจนหมดไม่มีภายในพระไทยจึงสมนามว่าเป็นาศาสนาแท้นะคับมใช่าศาสนราทั้งทั้งที่มีกิเลสสมมุมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเป็นาศาสตราหรือเป็นพระผู้ทีเจ้าด้วยความบริสุทธิ์เพราะสิ่งโกรกโรกทั้งหลายนั้นได้หมดไปจากพระไถยสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง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 จะไม่เกิดขึ้นกับการดำเนินที่ถูกทางหรือที่ถูกต้องดีงามนี้จะมีที่อื่นใดเล่าเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความสมบงังมีทางเดียวนี้เท่านั้นนี่หละการสร้างวาสนาการฟิตตัวให้ดีก็ฟิตตรงที่ตรงนี้คือแก้สิ่งที่ไม่ดีภายในจิตใจของตนเราจะได้เห็นร้านค้าของเราสินค้าของเรา มาเป็นของอัศจรรย์มากน้อยเพียงไรภายในใจของตนในระหว่างขันกับกิดเราจะได้เห็นชัดๆว่าขันตั้งห้านี้รูปประขันเป็นต้น<ม>ก็เหมือนกับร้านค้าอื<ม>ใจที่ทรงคุณธรรมไว้โดยตามขั้นภูมิของตนก็เป็นเกียบเหมือนกับสินค้าตามขั้นแห่งสินค้าที่ตนมีคุณค่ามากน้อยภายในใจเพียงไร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 น, นั่นจึงขอให้พากันพยายามชำระสิ่งสกประปกทั้งหลายภายในจิตใจซึ่งเป็นสินค้าอันประเสริฐของเรานี้ให้หมดไปหมดไปให้เหลือแต่ทองทั้งแท่งให้เหลือแต่ธาตุแท้คือมนุธาตุที่บริสุทธิ์แท้นั่นแหละคือแดนแห่งความสมบัง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 ให้จิตพินิพิจารณาให้จิตรับธรรมนิไว้ประพฤติปฏิบัติกําจาัดสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองออกจากจิตเสเดียวกัแล้วจิตก็เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในโลกนี่แหละท่านผู้ประเสริฐไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเหาะเหินเดินฟ้าขึ้นไปที่ไหนจึงจะประเสริฐอยู่เฉยๆธรรมดาเหมือนโลกก็ประเสริฐเพราะประเสริฐที่จิตไม่ประเสริฐในที่อื่นใดึขอเรียนรำพินิพจาณาการแสดงธรรมคนนึ่มาสมควรจึงขอหยุเดเพียงเท่านี้